อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ่าซึ่งอยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็เปิดสถานีในเช้า ว, วันเสาร์ที่อ่าสิมตุลาคมนี้ซึ่งเป็นเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนเนี่ยนะคะด้วยรายการธรรมารา บ, บรุนเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งสําหรับรายการธรรมารา บ, บรุนนั้นอ่าในเช้า ว, วันเสาร์และวันอาทิตย์ก็คิดว่าท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบกันดีนะคะว่า ดิฉันเองจะได้ม า, าสนทนาธรรมะหรือที่เรียกว่าสากักฉากับท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมอของทางวัดป่าดอนหายโศกนะคะก็เป็นหลักสูตรปฏิบัติธรรมที่เรียกว่า าตามาพุทธโอษหรือพุทธวจนะนะเจ้าคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ได้บอกบุญท่านผู้ฟังเป็นประจำเลยว่าท่านใดสนใจก็ไปกันได้ที่วัดป่าดอนไหาโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหาราตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งในทุกๆเช้ า, าวันเสาร์วันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสนทนาธรรมะในประเด็นหลายๆประเด็นที่คิดว่าเป็นข้อธรรมะที่จะนํามาพูดคุยกันแบบชาวบ้านเราเข้าใจ โดยมีตัวเด่นเองนั้นได้รับโอกาสที่จะม า, าสนทนาซักถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะซึ่งท่านพระอาจารย์ไพบุตรพีพ่ปโนโออท่านก็ได้พร้อมอยู่แล้วนะคะที่จะพูดคุยกับทุนผู้ฟังสำหรับในเช้า ว, วันนี้ซึ่งเราพบกันเป็นเช้า ว, วันเสาร์ที่13ตุลาคมวันนี้เป็นวันแรม13ค่ำเดือน10 มาโรงนะคะก็คิดว่าเป็นวันที่เป็นวันดีอีกวันหนึง่งเพราะว่าอีกประมาณสักวัน2วันเราก็จะเป็นวันพระหรือวันธรรมสวนากันอีกแล้วนะคะซึ่งในการนี้ก็รายการของเราก็ได้รับความเมตตาจากพระเาษีพระคุณหลวงพ่อดรศาสตร์ิตุฟาโซหรือท่านพระกุศลพิพากรซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหสุก น, นั้นท่านก็เป็นองค์ที่จ ะ, ะถ้ามีเวลาก็จะมาสนทนาสาาักฉาร่วมด้วย แต่ถ้าหากว่าท่านหลวงพ่อไม่มีเวลาเราก็จะพูดคุยกันโดยความได้รับการปรึกษาหารลยจากหลวงพ่อกันเป็นประจำนะคะขอนาท่านเพื่อนทางบ้านมากราบนมำสการพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนโกันเลยนะคะกราบน้ำมศาการเจ้าค่ะพระอาจ า, า, ารย์เจ้าขาเชิญพานส้าคืเจ้าค่ะสำหรับพบกันในเช้าวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะก็ทราบว่ามีอุบาสกอุบาสิกาจํานวนหลายท่านทีเดียวที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่นะเจ้าค่ะได้พบพระอาจารย์ไพบูรลก็ได้มีการพูดคุย สนทนาแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์เจ้าค่ะ <Hey. S 2> ว่าสวดมนต์แล้วเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะาะ อ, ะอย่างถามว่าสวดมนต์แล้วเราจะสวดยังไงใช้เสียงยังไงดีนะเจ้าคะแล้วก็ควรจะสวดมนต์เวลาไหนถึงจะเรียกว่าเป็นเวลาที่ดีเหมาะแก่การสวดมนต์หรือว่าการสวดมนต์นั้นเนี่ยแทนการนั่งสมาธิเนี่ยจะได้ไมมแทนที่จะนั่งสมาธิก็มาสวดมนต์แทน hmm. แล้วก็พอสวดแล้วเนี่ย คือหมายถึงว่าสวดมนต์แทนการนั่งสมาธิเพราะว่าการสวดมนต์นั้นก็ทำให้จิตใจสงบดีเช่นเดียวกัน<ะ>ใอีกอย่างก็จะถามมาว่าการสวดมนต์เนี่ยจะสวดมนต์คนเดียวดี หรือว่าจะสวดเป็นเป็นหมู่เหล่านะเจ้าค่ะคือสวดหลาหลายๆคนให้เสียงกันดังๆเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยก็ได้เรียนถามมารวมทั้งเร่ว่าเราจําเป็นไหมที่จะต้องสวดมนต์นก่อนนั่งสมาธิหรือไม่นะเจ้าค่ะซึ่งอันนี้โยมก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พบูลรละิพินโนได้สากัะชาหรือสาทิยายให้ฟังกันเลยเจ้าค่ะว่าที่จริงๆแล้วเนี่ย อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาของเรานั้นเนี่ยได้มีข้อกําหนด อะไรอย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะพู้ถึงเรื่องสวดมนต์เนี่ยเป็นคําถามยอดฮิตมากเลยคุณเตือนใจไปต่ไหนก็จะมีคนถามเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์จริงๆคนไทยเนี่ยชอบสวดมนต์กันมากนะเอไปเที่ยวอินเดียเขายังพาไปสวดมนต์กันนะไปไหว้พระก้าวัดสิวัดก็ไปสวดมนต์กันไปปฏิบัติธรรมบางที่ยังพาสวดมนต์กันข้ามคืนปีใหม่อะไรไม่เว้นสวดกันหมดเลยเจ้าค่ะแต่ที่ที่สวดสวดเนี่ยก็เราพุทธเจ้าตรัสว่าไงเกี่ยวกับเรื่องของการสวด นะการสวดมีความหมายอย่างไรอย่างที่คุณเตือนใจพูดไปเมื่อสักครู่นะใช้เสียงยังไงสวดกับใครสวดคนเดียวได้ไหมนั่งสมาธิหรือเปล่าสลับกันดีไหมหรือสู่เวลาไหนอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันรายละเอียดเยอะมากเนอ ะ, ะแล้วก็สวดภาษาไทยดีสวดภาษาบาลีบางคนสวดภาษาจีนก็มีน ะ, ะมันก็สลับกันไปไม่ไม่แน่นอนเลยทีนี้ก็เลยต้องการจะมาดูตรงที่พุทธวจนะที่ว่ า, าพระเจ้าตรัสไว้ว่ายอย่างไรในเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมน นะก็ต้องบอกทําความเข้าใจเกี่ยวกับการสวดนิดหนึง่งจริงๆคําว่าสวดสวดเนี่ยพระพุทิชจ้าใช้อีกคํานึงแปลว่าใช้คําว่าสาธยายสาธยายใชนะ่สาธยายสวดหรือสาธยายหรือท่องบน่นะสวดสาธยายท่องบน่น3ามคำนี้ใช้แทนกันได้นะัคือการท่องบ่นเนี่ยคือการจุดประสงค์การสวดก่อนนะคือสวดสวดไปเนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะท่องจำให้ไดนะ้ในสมัยก่อนนะ สมัย <Okay. S 2> พุทธกาลเนี่ย <Okay. S 2> เขาสวดสาธยายท่องบนเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อที่ให้ให้มันท่องจําได <Okay. S 2> ้เดืนใจแน่กามาคือต้องการจะจำำําคํานพะุทธเจ้าอ่ะเนี่ยต้องการจะจำำําคําพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น เ, เวลาจะจําให้ได้เนี่ยมันต้องคอยแบบเราท่องสุดคูนะ่ะสมัยเ <Okay. S 2> ด็กๆคุณเดือนใจเคยท่องนะสอ2หนึสองสสองสี่เนี่ย <Okay. S 2> โอ๊ย ก, อก่อนกลับบ้านเจ้าค่ะอ่าเราต้องไม่ใช่แค่ท่องแค่3าสี่วันแนละท่องเป็นสัปดาห์ท่องเป็นเดือนท่องเป็นเทอมนั่นนักกว่าจะจําได้ อตรงจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังจําได้อยู่ไม่ลืมนั่นด้วยอันนี้ส่งของการท่องบนใช่ไหมนี่คืออันนี้ส่การท่องบท น, นะทําให้เราจําได้จําสุดคูนได้จําคําพูดของในหลวงบางคําได้เราท่องเป็นประจําอย่างเงี้ยนะเช่นเดียวกันพิสูจนในสมัยนั้นเนี่ย<ๆ>เขาต้องการจําความพระพุทธเจ้าให้ได้นะเขาจึงออกมาท่องบนทุบทวนทําซ้ําทําย้ําพูดซ้ําพูดย้ำนั่นะจึงเป็นลักษณะของการท่องเข้าใจไหมเราท่องสุดคูน ท่องแม่บทถ้าเป็นนักกฎหมายก็ท่องตัวบทถ้าเป็นผู้วิพากษาก็ท่องวิธีพิจารณาความถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์ก็ท่องสูตรคณิตศาสตร์ถ้าเป็นนักฟิสิกส์ก็ท่องสูตรฟิสิกส์อย่างเงี้ยแต่ละคนต้องมีอะไรที่ว่าตัวเองจะต้องจําต้องมาท่องไว้เสมอนะทีนี้การท่องการสวดการสาธยายพวกนี้เหมือนกันหมดจุดประสงค์เพื่อการท่องจําไม่ได้ตรงนี้พระเจ้าจึงตรัสไว้ข้อแรกก่อนเลย นะบอกว่าเพื่อเป็นเพื่อความตั้งมั่นของพระั ธ, ธรรมนะคือการสวดมนต์เนี่ยคือเรากำลังพูดถึงจุดประสงค์ของการสวดนะเพื่อที่ท่องแล้วให้เราจำได้นะ อ, อย่างที่จะทำให้พระสั ธ, ธรรมตั้งอยู่ได้นานเนี่ยนในนั้นคือการเราสาธยายธรรมที่ถูกต้องนะคือถ้าเราม า, เ, าเรียนรู้สิ่งที่เป็นคำสอนพระเจ้าบางทีพระเจ้า เป็นบทสนทนาพูดไวล้ลอยๆเป็นคาถาขึ้นมาเป็นคําขนาดเป็นคําว่าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คอยทรงจําตรงนั้นเล่าเรียนกันมาอย่างดีอันนี้<ช>จะเป็นองค์ประกอบที่1ที่ทำให้พระสัทธรรมเนี่ยตั้งมั่นอยู่ได้นานแดีเราไม่ต้องพูดถึงหรอกว่า2000ปี 5,000 ปีหรืออะไรเดีถ้าเรายังสร้างเหตุที่ถูกอยู่เนี่ยมันไปได้เรื่อยๆ1ใน5อย่างนั้นนั่นก็คือการสาธยายหมดคือการเอาเอาคํารุทธเจ้าเนี่ยมาท่องบนอยู่เป็นประจํา คุณคุณจะใจเข้าใจอ่าเหตุผลเบื้องลึกนะว่าถ้าต้นต้นรากว่าทําไมถึงได้มีบทสวดมนต์ที่เราได้สวดสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึง 2,600 ปีปีนี้นะเจ้าค่ะอย่างอย่างบทอิติปิโสเนี้ยท็อปฮิตมากเลยคนสวดกันเป็น108รอบนะสวดกันข้ามมันข้ามคืนอิติปิโสอิติปิโสอิติปิโสกันอยู่นั้นนหะเจ้าค่ะบางคนสวดทั้งไทยทั้งบาหลีด้วยนะก็นั่นเพื่ออะไร เพื่อที่คุณจะได้จําได้แล้บางคนจําได้นะจําภาษาบาลีได้ยังจําภาษาไทยได้ด้วยอีกอตรงเนี้จะเป็นบทที่คุณระลึกถึงได้ว่าโอ้อันนี้เป็นคํายกย่องเชิดชูคำของพรุทชานะถ้าเราบทอื่นๆอย่างเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีพวกความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นย่อมไม่มีพวกคาำแต่ไปอย่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงแต่ไปถ้าเราท่องตรงนี้ท่องท่องท่เหมือนสุคูลเนี่ยเราก็จำได้คํานี้ก็ยังอยู่ไปนาน นะ <S <S เราไปพูดที่ไหนท่านไฟังฟังกระจำได้ลูกร้านเราฟังเรากระจำได้เงี้ยตรงนี้จะเป็นเหตุที่ทําให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นา น, <S <S นเนาะถ้าพูดถึงเรื่องการตั้งมั่นอยู่ได้ของพระสัทธรรมเนี่ยพระเจ้ายังพูดถึงเรื่องการเรียนด้วยแต่ถ้าคุณเรียนรู้มาถูกต้องนะพระไตริฎกคุณศึกษาถูกต้องไหมมีส่วนที่ไม่ใช่พุทธวจนะก็มีนะมีส่วนที่เป็นพุทธวจนะก็มีนะเราทรงจําส่วนที่เป็นพุทธวจนะไว้ว่าเป็นพุทธวจนะนะเราเราก็จะสามารถที่จะทําความตั้งมั่นของพระสัทธรรมได้ นะยังรวมถึงเรื่องการบอกด้วยบอกต่อไหมคุณแสดงต่อไหมนะถ้าคุณบอกคุณแสดงต่อก็ยิ่งจะทําให้พระสัธรรมเนี่ตั้งอยู่ได้นานนะทําได้มากข้อความเหตุปจัจจัยอะไรมันก็ยิ่งเพียร พ, พร้อมสมบูรณ์ขึ้นไปนะอันนี้เราพูดถึงแค่ข้อเดียวเกี่ยวที่เกี่ยวกับเรื่องของการสาธยายนะสาธยายคือหมายถึงการที่เอามาท่องบนอยู่เป็นประจํำนะอีกเหตุหนึ่งอันที่สอ ง, อ ท, สองที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องบ่นมน เอามาท่องจำให้ได้เนี่ยนะคือเป็นเครื่องที่ทําให้ถึงวีมุตโอโหทําให้ถึงวีมุดเลยนะคําว่าวีมุดเนี่ยหมายถึงอะไรที่ภาษาชาวบ้านเราฟังแล้วเข้าใจเจ้าค่ะหลุดพ้นหลุดพ้นอ๋อการหลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้นะจ๊ะวีมุดไม่ใช่ละมุดนั้นะลูกคำคำกินได้ไม่ใช่คอันนี้เป็นเป็นการหลุดพ้นใช่วีมุดคือหลุดพ้นหลุดพ้นจากสังสารวัตรหลุดพ้นจากการเวีนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เราไม่ต้องไปปวดท้องเข้าห้องน้ําเราไม่ต้องไปเหน็ดเหนื่อยทํางานเราไม่ต้องไปมีปัญหาเรื่องความหิวความกระหายพวกนีนะ้หลุดพ้นหมดเลยจากสิ่งเหล่านี้นั่นคือว <c oughs> ิมุตต์ถามว่าแล้วเราจะเข้าสู่วิมุตต์ได้ไง <c oughs> พระเจ้าสอนทางไปวิมุตต์ทางไปวิมุตต์เนี่ยหนึ่งในนั้นคือการที่สาธยายมุนทำได้นะแล้วมั น, มนระเบียบขั้นตอนมันเป็นยังไงคือไม่ใช่ว่าเราแส่แต่ว่าท่องท้อๆท้ทททนะเหนื้อแตกหรือว่าไม่หลับไม่นอนท่องเนี่ยพระพุทธเจ้าได้พูดถึงกระบวนการอยู่ นะคือเมื่อเราสาธยายทำเนี่ยนะตามที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วโดยพิสดานะโดยพิสดานี่หมายถึงโดยละเอียดนะโดยละเอียดเลยนะเราก็ได้ปราโมทนะทำให้เข้าใจทำไม่ได้ปราโมทมีปราโมทมีปีติมีปี ต, มปติมีความสุขเกิดขึ้นมีความสงบระงับมีความสุขมีความสุขปุ๊บจิตเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงปล่อยวางได้ผางขึ้นมาเข้าสู่มุดได้ทันทีอืมเจ้าค่ะ เนี่ยเพราะอาศัยเหตุของคือการสาธยายมนนะต้องไล่ไปก่อนก่อนที่คุณจะเข้าวิมุตได้เนี่ยคุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงก่อนที่คุณจะเห็นตามที่เป็นจริงได้เนี่ยจิตกุณต้องเป็นสมาธิจิตกุณจะเป็นสมาธิได้เนี่ยคุณต้องมีความสุขในใจคุณจะมีความสุขได้เนี่ยกายคุณต้องสงบระงับกายคุณจะสงบระงับได้เนี่ยคุณต้องมีปรีติมีปราโมทคุณจะมีปรีติมีปราโมทได้คุณต้องเข้าใจธรรมะคุณจะเข้าใจธรรมะได้หนึ่งในเหตุนั้นคือการสวดมนต์อืมจ้าค่ะ อย่างนี้ในการสวดก็จะต้องสวดแล้วเข้าใจใช่ไหมเจ้าคะคือสวดสวดด้วยความเข้าใจไม่ใช่สักแต่ว่าท่องๆไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะถุงทองถูกต้องเราต้องเข้าใจสิ่งที่เราพูดด้วยสิเข้าใจไม่งั้นเราจะเหมือนนกแก้วนกขุนทองใช่เจ้าค่ะก็บอกแก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่ว่าเพื่อไม่รู้พูดอะไรเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะได้ความเข้าใจธรรมะเนี่ยมาจากเหตุคือการสาธยายมน์ได้ อื่นอีกได้ไหมได้เหมือนกันคือการศึกษาเล่าเรียนมาจากชนเหล่าอื่นก็ได้หรือว่าการตรึกมตามตรองตามซึ่งธรรมะหรือว่าเราได้สมาธิวิเคราะห์ดีแล้วได้ความเข้าใจธรรมะก็ไหลไปตามกระบวนการนี้มีปีติมีสุขจิตตั้งมั่นเห็นตามด้วเป็นจริงเข้าวิมุตได้นะ <Okay. S 1> อันนี้คืออันนี้ส่งข้อที่2องนะข้อที่ข้อแรกเราพูดไปแล้วเรื่องความตั้งมั่นของพระสธรรมนะอันนี้ <Okay. S 1> คุณต้องเข้าใจด้วยนะข้อที่2 <Okay. S 1> นี่คือเพื่อทําให้เกิดความเข้าใจธรรมะอันนี้คุคณสาธยายคุณพูดคุณก็ต้องเข้าใจด้วยนะ เจ้ค่ะข้อที่สนี่สําคัญกันเป็นอาหารของความเป็นพระหูสุตนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านพระอานนท์ได้ได้กล่าวเอาไว้นะคุยกับพระพุทธเจ้าคือพระอานนท์เนี่ยมีได้รับการยกย่องว่าเป็นพระหูสุตรพระหูสุดพูดภาษาไทยอีกเหมือนกันก็แปลว่าผู้ที่มีความรู้มากรู้มากนี่ไม่ใช่เหมือนภาษาไทยที่บอกว่าเองคนนี้รู้มากเหลือเกินนะคือมันมีความหมายในทางที่ไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นนะ แต่ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือเป็นผู้ที่รอบรู้แล้วกันนะเป็นผู้ที่รอบรู้คงแก่เรียนมีความรู้สูงนะเราใช้คาว่าพระหูสูตรก็ได้จค่ ะ, ะหนึ่งในธรรมะของความเป็นพระหูสูตรพรนะพุทธเจ้าพูดถึงทำส10ประการนะที่จะทําให้ความเป็นพระหูสูตรมีอันตรายเกิดขึ้นนะคือการไม่ฟังด้วยดีคือห น, หนึ่งในนั้ น, น, น, นคือการที่ไม่เอามนนั้นมาสาทยาย คือไม่ท่องบ่นอยู่เป็นประจำอ่ะอย่างเรื่องบางเรื่องที่คุณเตือนใจต้องการจะจําเนี่ยนะเราเลิกรั้งการท่องบ่นการที่จะเอามาท่องจาให้ได้สักปีหนึ่งสองปีสามปีเอ้ยเราลืมไปแล้วหรืออย่างเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เรื่อยๆเราจําได้ใช่ไหมเห็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราไม่ได้ใช้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้แหมโทรศัพท์ทุกเครื่องมันเก็บเบอร์ได้เป็นร้อยเป็นพันเนี่ยทําให้สมองเราไม่ได้ฝึกมาการที่จะจะใช้จําเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมทาให้เนี่ยเป็นอันตรายต่อความเป็นพหูสุดนะอืม ก็คือเรื่องที่เราต้องการจํานั้นเนี่ยไม่ได้มีการเอามาท่องบนให้มีการเอามาท่องจําอยู่เป็นประจําอันนี้จะเป็นอันตรายต่อความเป็นพู้หูสุดแต่ถ้าเราเอามาท่องบนท่องจําอยู่เป็นประจำนะอันนั้นน่ยจะเป็นอาหารของความเป็นพหูสูตนะอย่างคนที่เขาสอบเรียนได้ดีเรียนได้เก่งอย่างหมออยางเงี้ยเขาต้องำจําชื่อส่วนต่างๆของร่างกายนะโอ้โหเป็นภาษาลาตินหมดเลยนะชื่อกระดูกชื่อไขมันชื่อเซลล์ชื่อกล้ามเนื้อ โอยแต่ละอันก็จำยากเท่านั้นเนี่ยเขาต้องมาท่องท่องท่องท่องท่อ ง, องจนสายแว้นตาหนาเตอะแล้วก็ต้องจําไม่ได้นะเขาจึงเป็นพหูสุดได้เพราะฉะนั้นการเอามาท่องจําท่องบนทําซ้ําๆย้าๆเนี่ยจึงเป็นอาหารของความเป็นพหูสุตเจ้าค่ะอันนี้ข้อที่3ที่บุชาพูดถึงนี้ก็ยังต้องเข้าใจสิ่งที่คุณพูดด้วยนะเนาะเจ้าค่ะอ่าข้อที่4นะก็เป็นองค์ประกอบของความเป็นบริษัทที่เลิศ ห น, นคือถ้าเรามาทรงจำสิ่งที่เป็นคำพระพุทธเจ้ากุญใจแม้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่เลิอดหลูอลังการมีความเฉียบแหลมเฉียบคมฉลาดหลักแหลมมีความเมตตาโอ้ยสยาจจยัยกันได้มากจริงๆนะทีนี้พอพระพุทธเจ้าพูดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยแม้ขนาดว่าจะเดินไปทางไหนจะทำอะไรหยิบจับอะไรจะยิ้มจะไม่ยิ้มนะจะทำอะไรนี่ทุกคนสังเกตดูหมดนะ สาระวตรต่างๆก็จะคอยดูว่าพุทธเจ้าทำอะไรพรุทธเจ้าศักยับตรงไหนแหมจะคอยสอดส่องดูแลเพื่อที่จะเรียนรู้หนะรือว่าดูว่าพุทธเจ้าทำอะไรลีลาพุทธลีลาว่างั้นนะเพรา ะ, ะนั้นคําพูดของพุทธเจ้าทุกคําที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เนี่ยโอ้จะมีคนทรงจํามากมนจะมีคนทรงจํามากจริงๆก็เลยมาทําให้พุทธเจ้าบอกว่าอะถ้าเราจะเป็นบริษัทที่เลิศนะบริษัทนี่หมายถึงกลุ่มคนที่เลิศในการที่จะศึกษา ธรรมะของที่พระเช่าประกาศไว้เนี่ยก็คือการที่มาต้องมาท่องบนท่องจําคําของพระเช่าให้ได้ ค, คือเรื่องของการท่องบนท่องจำเนี่ยอารมาไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องนั่งหลังกดหลังแข็งคอยจําให้ได้นะแต่หมายถึงว่าถ้าเราใช้บ่อยๆมันก็จําได้ไปเองใช่ไหมอย่างบางเรื่องศับประสาทกริบางคำอย่างเงี้ยเราแทบจะไม่ได้ต้องท่องเลยแต่เนื่องจากความที่เราใช้อยู่เรื่อยๆใช้อยู่เรื่อยๆมันก็จําได้ไปเองคคะนะเหมือนกันอย่างนี้ อย่างภาษาไทยอย่างเงี้ยเอาภาษาไทยแล้วกันคุณเป็นคนไทยฟังพูดภาษาไทยอยู่เนี่ยอศัพท์ภาษาไทยหลายๆคำเนี่ยเราไม่เห็นจะต้องท่องเลยตั้งแต่เราเป็นเด็กมาเนี่ยเนาะต้องศัพท์ภาษาไทยไม่ค่อยได้ท่องนะเอ๊ะแต่ทําไมเราถึงเราถึงจําได้ล่ะเราถึงรู้ขึ้นมาล่ะนก็เพราะว่าเราใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนี่แหละคือเป็นองค์ประกอบของความที่เป็นบริษัทที่เลยคือคุณใช้อยู่เป็นประจํำอยู่แล้วท่องบนอยู่เป็นประจําอยู่ล้คุณคุณจะใช้เข้าใจเนาะเข้าใจเจ้าค่ะอื อันนั้นคือข้อที่อนสงข้อที่สี่ข้อที่ส่ใช่ข้อที่หาเนี่ยพระเจ้าถึงพูดถึงมนพูดถึงคำพูดของพระองค์เนี่ยพระพทธเจาเนี่ยนะี่มีการไม่ท่องบทเนีนะ่ยเป็นมนทินนะคือถ้าพระเจ้าตรัสเรื่องอะไรแล้วคุณไม่ทรงจำเอาไว้โอ้จะเป็นมนทินต่อคำนั้นนะคือหมายว่าคำนั้นก็จะสูญหายไปเป็นมนทินขึ้นมานยะไม่ได้มีใครทรงจำเอาไว้ก็ร่วงล้นไปหายไปนะเป็นมนทินี้จึงเป็นคาถา ทีนี้เวลาที่อันนี้ส่งข้อที่หกข้อที่6ก็เป็นบริการของจิตเพื่อทําให้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนนะคือเวลาที่ใครมาทําอะไรเราที่ไม่ดีกับเราเนี่ยนะ <Okay. S 1> บางทีมาขับรถปาดหน้าเราทําให้เราเสียใจบางทีไปซื้ออาหารในร้านอาหารเขาเอาเส้นผมใส่มาด้วยเนี่ยทำให้เรามีความขัดเคือง <Okay. S 1> มีความแบบจะผูกเวรกับเจ้าสิ่งนั้นที่มาทําให้เราไม่ไม่มีความสุขนะ ซึ่งตรงนี้เป็นอกุศลเราจะละได้อย่างไรนะหนึ่งในองค์ธรรม5อย่างที่จะทําให้เราละได้เนี่ยละความเบียดเบียนละการจองเวรนั้นได้เนี่ยคือการสวดมนต์นะเป็นผู้ที่มากด้วยการสาธยายมนต์อันนี้ถ้ามามามองดูดูที่ว่าจริงๆแล้วมันมีผลเบื้องลึกอยู่นะเพราะว่าเวลาที่เราได้ภาษาที่ไม่น่าพอใจนะคุณใจมันมาทางภาษาถูกไหมจ้าหูจมูกลิ้นกายใจสักทางใดางทางหนึ่งหทางเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าบอกว่าจิตใจของเราได้รับการควบคุมนะคือหมายความว่าเราเข้าใจธรรมะเราจิตเป็นสมาธิเราปล่อยวางได้พางขึ้นมาเนี่ยเออเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรใจเราอีกต่อไปนะทีนี้ ค, คุณจะอาศัยเหตุปัจจัยอะไรในการที่คุณจะเข้าใจธรรมะละ่ะอ๋อนั่นคือการสวดมนต์สามารถทําได้นะอันนี้ก็จะกลับไปข้อที่3นะที่ว่าทําให้เป็นเครื่องถึงวิมุตได้แล้วก็ไปข้อที่2เพราะฉะนั้นถ้าเราสวดมนต์เราเข้าใจด้วยนะ จะทําให้เราปล่อยวางได้การผูกเวรต่างๆก็ไม่มีก็ขอเพิ่มเติมตรงนี้เลยไอ้ห้ข้อที่เหลือคืออะไร4ข้อที่เหลือคืออะไรก็คือเป็นผู้ที่พูดจริงเป็นผู้ที่มีความเพียรก็ที่3าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่4คือการสวดมนต์ใช่ไหมแล้วข้อที่5คือเป็นผู้ที่มากด้วยการบริจาคนะหอย่างนี้จะเป็นบริขารเป็นองค์ประกอบที่จิตจะต้องมีเพื่อที่จะทำให้จิตนั้นไม่ผูกเวรได้ นะคือคือคนอื่นก็จะมาผูกเวรกับเราเราควบคุมจิตเขาไม่ได้นะแต่ <Okay. S 1> จิตเราจะไปผูกเวรกับใครเนี่ยเราควบคุมได้แตนะ่ถ้าคุณสร้างเหตุปใจใัจจัย5อย่างนี้นะการสวดมนต์เป็น1ในนั้นด้วยนะก็จะทําให้จิตเราเคลายจากความผูกเวร น, นั้นได้แต่การสวดมนต์นะ <Okay. S 1> คือคุณจะต้องเข้าใจความหมายน ะ, ะนี่คื อ, อข้อที่ข้อที่5้ข้อที่หกเนาะข้อที่เจ็ดเนี่ยก็จะเป็นเหตุที่ทําให้ละความง่วงได้ด้วย ะละความง่วงตรงนี้หมายถึงอะไรนะนี้จริงๆก็เป็นเรื่องที่ได้ตรัสบอกกับท่านพระหมหาโมคลานะไว้นะว่าตอนนั้นท่านพระหมหาโมคลานะเนี่ยกำลังทําความเพียรเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระรอรหันต์อยู่ยังไม่บรรลุนะก็เจอความง่วงครอบงำอยู่นะพุทธเจ้าก็ให้วิธีแก้ไว้นะั่นคือการสวดมนต์นะเป็นหนึ่งใน8วิธีอันนี้เป็นหนึ่งใน8วิธีแก้ความง่วงนั่นคือการนั่นคือการสาธยายมน นะคือเอาธรรมะอะไรก็ได้ที่เราได้เรียนได้ฟังมาได้ยินมาแล้วามาท่องบนไค้ครวนวนไปวนมาวนไปวนมาวนไปวนมาเนี่ยอันนี้จะทําให้เราคลายความง่วงได้เจ้าค่ะนะความง่วงตรงนี้ต้องระวังว่าถ้ามันง่วงจริงๆคุณก็ไปนอนได้แต่ถ้าเป็นความง่วงที่เกิดจากความขี้เกียจเนี่ยการสวดมนต์เนี่ ย, านนนยอาจจะช่วยได้นะเป็นหนึ่งในแวิธีละความง่วงใช่เจ้าค่ะทีนี้การสวดมนต์เนี่ย มันจะต้องมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของคาถาด้วยนะว่าบางคนแบบเล่นเวทมนต์คาถาอะไรอย่างเงี้ย น, นะทําปาก<ร>มุบมิบมุบมิบใส่เข้าไปในข้าวสารแล้วก็เวียงไปแล้วก็ตัวอะไรโดมก็ช็อต ช, อตชอตขึ้นมา<ร>เป็นล<ร>ักษณะของมนต์หรือเป็นวิชาที่พระพุทธเจ้ า, าไม่ได้สอนนะหรือคาถาอย่างที่พระเจ้าพูดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคาถาคาถาเนี่ยเป็นพุทธวจนะเหมือนกันแต่เป็นบทกลอนที่พระเจ้าได้ตรัสเอาไว้สรุปเนื้อหาที่พระองค์พูดมา อย่างบางีพรชาเนี่ยไปคุยกับพระชจ้าประเส้นที่กศลอย่างเงี้ยคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเสร็จปุ๊บจะจบบทสนทนาเนี่ยพระเจ้าก็สรุปให้ฟังว่าบทสนทนาที่คุยมาเนี่ยนะแต่งเป็นคํากรอนได้อย่างนี้พวกตรงเนี้ยตรงเนี้ยเรียกคา <จะ S 1> ถาเออเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็สรุปตราดไว้ตอนท้ายเป็นคถานะคถาตรงนี้ก็คือบทสรุปของที่พูดมาเท่านั้นแหละและเป็นคํากรอนแตนะ่ถ้าเราเข้าใจภาษาบาลีเนี่ยไปอ่านภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีจังหวะจากโคนกรรมคอย เขาเรียกว่าลงการของพยัญชนะของวรรณยุกต์อยู่เนี่ยนะมันก็จะมีความสวยงามของของภาษาของคํากลอนนั้นอย่างภาษาไทยเนี่ยเราเคยอ่านสุนทรพูดใช่ไหมงดงามไม่เกินเป็นกลอนแกลอนสิเนี่ยนะของภาษาบาลีเนี่ยก็จะมีกลอนเป็นลักษณะของคาถาเป็นฉันก็มีซึ่งอ่านมาแล้วเนี่ยแมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของอักษรศาสตร์อยู่แล้วดังนั้นพุทธเจ้าก็จะแต่งคาถาหรือว่าแต่งคํากลอนเพื่อปิดท้ายบทสนทนานั้นมีหลายโอกาสเลย นะอย่างแล้วก็ตรงนี้จึงเป็นคาถาซึ่งคาถาเนี่ยไม่ได้เหมือนกับที่เราเข้าใจกันนะคนไทยบางทีเข้าใจคาถาว่าเป็นบทแบบเสกอ น, นั่นเสกอันนี่หรือถ้าใครดูหนังเรื่องอ ะ, อะไร่ะแฮร์รี่พอตเตอร์งเงี้ยเจ้าค่ะที่เป็นนักเวทมนต์นนะเป็นโรงเรียนเวทมนต์เขาจะมีาาคาถาเสกไฟคาถาบินได้คาถาอะต่างซึ่งอันนี้ไม่ใช่ที่พระเจ้าสอนเจ้าค่ะคาถาของพระเจ้าเนี่ยคือธรรมะนั่นเองนะเป็นบทสรุปของบทสนทนานนั้นอันนี้นนนนคือคาถา เจ้าค่ะคนะุณตื่ใจเข้าใจเนาะเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะัวนี้ก็ต่างจากคาถาที่ปัจจุบันเราเห็นกันอยู่นะเจ้าค่ะทโยมเห็นตามหนังสือสวดมนต์เนี่ยก็จะมีคาถามหาเศรษฐีคาถาเรียกเงินอะไรพวกนี้เจ้าค่ะอ้าวที่ต้องเรียนถามพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะเราไปดูคำแปลนะไปดูคาแปลอย่างพุทเจ้าตรัสกับพระเจ้าเสรตที่โคศนอย่างเงี้ยก็ได้ให้คาถาไว้นะไว้ให้สวดตอนที่กำลังกินข้าว เป็นคาถาที่ให้เวลาที่กําลังจะกินรับประทานอาหารอยู่เนี่ยกำลังสเสวย อ, อยู่เนี่ยก็ให้ข้าราชบริพาเนี่ยสวนให้ฝั่งท่องให้ฝั่งก็ทําให้มีความคลายกําหนัดเพราะอะไรเพราะพระเจ้าเป็นนิโคสนพูดภาษาเดียวกับที่พระเจ้าพูดนะพอเขาพูดคาถานี้มาตัวเองก็เข้าใจความหมายแล้วความหมายที่พูดนั้นก็คือให้เป็นผู้ที่มีสติรู้จักประมาณในการบริโภคก็จะแก่อ่อนแก่ช้ามีเวทนาเบาบางเนี่ย แลกจริงแล้วถ้าเราไปดูคําแปลของคาถานนั้นนนเนี่ยนะคุณเนใจมันก็คือคือคําพูดธรรมดานะที่บอกถึงความเป็นเหตุถึงบอกถึงความเป็นผลอยู่คุณค ะ, ะซึ่งมันเลยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันว่าอ๋อมันเป็นธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเป็นไปอย่างนั้นไม่เป็นไปอย่างอื่นนะความที่เหตุเป็นอย่างนี้คุณต้องได้ผลอย่างนี้อันเนี้แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ืคุณค ะ, ะไม่ใช่ว่าคุณจะไปหวังขอว่าพอเราเสกคาถานี้ขึ้นมาปุ๊บสิ่งนี้ต้องปรากฏออกมามันไม่ใช่อย่างนั้นนะ แต่ถ้าเราเข้าใจความหมายของคาถาอนั้ น, น, นที่พุทเจ้าพูดเนี่ยก็คือการพูดถึงเหตุและผลในสิ่งที่เราต้องกระทำตัวนั้นเองนะเจ้าค่ะในเราสวดมนต์จะสวดด้วยคำไหนะจะสวดด้วยกี่คนจะสวดตอนไหนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจัดแจงได้เนาะคือหมายความว่าเราก็ตามที่เราสะดวกแต่ประเด็นคือคุณจำได้ไหมคุณเข้าใจความหมายหรือเปล่าเนาะ เจ้าคะ่ะแล้วตอนวสวดนี่ก็ต้องตั้งใจด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่คือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังท่องบนอยู่ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริงอันนั้นเนี่ยจึงจะเกิดอ่าเรียกว่าเข้าใจธรรมะเกิดความประมุ่นมิติมีสุขอะไรต่างๆ่างที่พระอาจารย์ได้พูดตอนต้นแล้วใช่ไหมเจ้าค ะ, คะ อันนี้เราดูจากเหตุการณ์ปัจจุบันเราก็ได้ทุกๆวันคุณจะต้องจําเรื่องราวอะไรไหมอย่างคุณจะใจไปประชุมเนี่ยต้องจําวาระการประชุมหรือว่าจะไปพูดในที่หน้าชุมชนเนี่ยต้องจำว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยนะไม่ใช่แค่จําได้เฉยใช่คือคถ้าคุณไม่เข้าใจคุณจําไม่ได้อยู่แล้วคแล้วเราก็<น>ไม่สามารถที่จะอธิบายให้เขาคนอื่นเข้าใจในสิ่งที่เราพูดด้วยนี่แหละคือสําคัญคะนะก็คือที่นอกจากเข้าใจแล้วยังบอกต่อแสดงต่อนะนี่จะเป็นเหตุที่ทําให้พระสธรรมตั้งอยู่ได้นาน จุดประสงค์แน่ๆเลยอันหนึ่งของการที่เรามาสาธยายมน์ท่องบนท่องจำเนี่ยคือเพื่อให้จําพุทธวจนะได้เพื่อให้เข้าใจพุทธวจนะนั่นเอง no. <Okay. S 1> เนาะค่ะอ้าวละทีนี้ข้อควรระวังนะข้อควรระวังคือทําให้ตรงนี้เราเราคนไทยต้องเข้าใจว่าคุณไม่ใช่ว่าสักแต่ส่วนภาษาบาลีแล้วคุณไม่เข้าใจความหมายเพราะว่าอะไรพุทเจ้าตืา่นไว้แล้วแล้วบอกว่าการสาธยายมนด้วยคิดว่าจะได้เป็นผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยข้อปฏิบัติอันยิ่งด้วยเพียงแต่อาการแห่งการสาธยายแปผิด คือถ้าคุณคิดว่าคุณทําดีแล้วปฏิบัติดีแล้วด้วยเพียงแต่อาการแห่งการสวดแอดผิดเจ้าค่ะคุณปฏิบัติไม่ถูกต้องอย่างไรจึงจะถูกต้องเจ้าค่ะคือไม่ใช่แค่อาการแห่งการไปสวดบางคนบอกว่าฉันไปสวดมนต์สามวันนี้สามชั่วโมงนะข้ามวันข้ามคืนแต่ตัวเองไม่ได้เข้าใจความหมายเลยนะว่าฉันได้บุญแล้วล่ะแต่เจแต่แอผิดเจ้าค่ะกดออดหลายทีเลยนะมันผิดอ่ะก็มัน มันเพียงแต่อาการแห่งการสาธยายแล้วคุณคิดว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วแต่ผิดไม่ใช่นั้นเด้วยต้องระวังวิธีแก้ทํำยังไงนะก็คือเมื่อสาธยายแล้วเนี่ยให้เพียรเผากิเลสด้วยนะจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติ ด, ด้วยข้อปฏิบัติอันยิง่งนะคือเวลาเรานั่งสวดเนี่ยไม่ใช่หัวสมองกลวงนะอย่างน้อยคุณเข้าใจไหมหรือว่าอย่างน้อยคุณมีสตินโนวไหายใจไหมคุณมีสติอยู่ในกายไหม เวลาที่อาการแห่งการที่คุณสวดเนี่ยคุณก็ทําความเพี่ยนทางจิตไปด้วยอันนี้ก็คือคุณจะแก้ข้อนี้ได้ก็คือไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามีอาการสวดแล้วคุณก็คิดว่าคุณปฏิบัติดีแล้วอย่างไม่ใช่แต่วิธีแก้ก็คือคุณก็สวดไปถ้าคุณชอบสวดคุณก็สวดไปในขณะเดียวกันคุณเข้าใจความหมายด้วยในขณะเดียวกันถ้าคุณยังไม่เข้าใจความหมายคุณมีสติในลมหายใ้ไหมคุณมีสติอยู่ในกายไหมคุณระลึกถึงพระชาติได้ไหมอย่างเงี้ยก็จะชื่อว่าได้ทําความเป็นไปพอสมควร เจ้าค่ะก็ะเรียกว่าต้องตั้งจิตตั้งใจกันจริงๆนะเจ้าค่ะก็จะได้อานิสงส์อย่างที่พระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนได้เมตตาสาธกฉามาแล้วนะเจ้าค่ะในประมาณหนึ่งาทีกว่าสุดท้ายนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูรณ์ได้สรุปเป็นแง่คิดให้ท่านผู้ฟังฝากเกี่ยวกับเรื่องของอานิสงส์ของการสวดมนต์เจ้าค่ะอานิมนต์เจ้าค่ะก็จะขอสรุปด้วยวิธีการที่จะสาถยายมน์ให้แจ่มแจ้งได้นานพปรจชาบอกอยู่นะทำไงเพิ่งที่เราสวดแล้วจำอะไรไม่ได้เลยแต่สวดตั้งกี่รอบก็จำไม่ได้วิธีแก้มีอยู่ นั่นก็คือให้ละนิวรณ์แล้วก็สวดไปนั่นจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยเราพูดเราจําอะไรมันจะจําได้ดีนันก็จะเป็นการแก้ว่าถ้าผื่ว่าเราสวดมนจนกระทั่งเป็นเหตุที่ทําให้ไม่ประกอบความเพียรละเลยการหลีกเล้นก็ถือว่ายังไม่ถูกแต่เพดัะนั้นในขณะที่เราสวดไปแล้วเราก็มีเวลาทําความเพียรทางจิตด้วยใช้คนไม้หรือบ่างในการที่จะทําความเพียรทางจิตด้วยก็จะสามารถทําให้การสาธยายมนั้นได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วย เจ้าค่ะและอันนั้นก็จ ะ, อะนอกจากเข้าใจในมนที่เราได้สวดตามพุทธ ว, วจนะแล้วก็ยังจะเกิดสิริมงคลต่อตัวเราด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะแน่นอนแน่นอนเนาะ เ <All right. S 2> จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์ไพบุอภิปโนพระอาจารย์ของเราจากวัดป่าดอนหายสกตำบลดอนหายสกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มาพูดคุยสากฉากันอย่างท่องแท้เลยนะคะว่าอานิสงส์ของการสวดมนต์ซึ่งก็คือการสวดหรือสาธยายรมแล้วก็ท่องจำ พุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอนิสงส์อะไรที่ดีๆบ้างนะคะก็คิดว่าคงจะได้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราคงจะต้องกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่14ค่ะก็จะได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะคะสําหรับเช้าวันนี้เรามากราบขอพระคุณและกราบนมัส ก, การลาพระอาจารย์ไพบุญอ ภ, ภิปโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรศาสตราิโตภาโสท่านเจ้าอาวา รัฐป่าดอนไหโ่โศกตำบลดอนไหโ่โศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธ า, านีกันเพียงแค่นี้นะคะกล่าวณมสการและกลาบขอบพระคุณยื่งสูงเจ้า่ะพระชนเจ้า่ะเจ้าจบารสาทุเจ้าค่ะ